พระธรรมเทศนาจาโดกเครื่องนางมากปินคำผูกที่สิบเอ็ดเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลียนทาฮกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ โอมาตัตราช า, าราณสีนาการังสัมปตวากันทาวารังนิวาสตวตีสาธบูราสปุริตาตั้งลหลตั้งยิย่งใจมวลหมอันนั่งอยู่ฟังธรรม จุงดาจำทวนทีเราจากจีจะใครลำดับไปบ่อขาตามบทบาทคาถาวาโซมาตัราจาดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตัวไปบัดนี้แลยนะ สมัตดราชจอนานวาผาญาสมัติราจใจห้าวหาดมาวนยกริพนหมูใหญ่มาแวดไก่ปุรีแห่งหนอบุญมียอดยาแล้วเอินเป่าโยธาอันเตียวมาหิวหอดือยังจอดเสาแรงนอคัมแปงเมืองใหญ่แล้วแต่งใจราัชาสาน <c oughs> ไปถึงนอโปทิญาณน้อยนาดว่าดูราาุระเต้าธีราชบุญเรืองตอนสเสวยเมืองภาพดาวนั่งแต่นเตานา้าปาราสี เรานี่มีชือไว้ว่าตาโหนยใหญ่สมตัดราชาเป็นพาญานั่งห้องแดนเขตต้องโกสัมปีกัมเลามีไปรอดว่าตนเจ้ายอดหอขวาง ได้ยังนางวิเศษมาจากเขตไพรสนบอดใจขนโลกลาเป็นนางฟ้ากับกายเรานี่หมยใครได้ยังแก้วแก่นไทยโซภา จึงยกเสนามวลมากออกมาจากเมืองตนเปืือยผ้าจนรบภาพเิ้นคานาบเอานางกันเจ้าหออ่อควางยศใหญ่กว้งภ่ายไตพระจ้า ตั้งเสนาใหญ่น้อยตั้งนางยอดซอยเตวีจักรับอินทีวอดไม่พร้อมเสียงคว่เวียงใจจุงเร็วไว้รีพาวยกนางเตา้าพันเราเราจะเอาเมื่อไววอยู่ตีไกปิ่งแป้งกันยังแข่งสวกการอเนินจ้าเหมือนไปคงเวียงใจใหญ่กว้างเตียงแตกมัง่งเพธา ย้อนเสนาน้อยใหญ่เราล้อมไว้จูไปอย่าได้หมายจากรอเตียงมวยหมอตั้งเมืองตนบุญเรื่องยศใหญ่นอพัติไวยทรงยาน อันราชาสารเมียนแล้วจิงเรียกนางแก้วโสฟานเข้ามาตีไกบอกเสียงไขวความในจักรล่องใจนางเต้าจริงแสงเกา่าไขจา้าว่าดูราสายตาเฮยน้อยหนาดบัดนี่เต้าที่ราดแดนไกยกเซนาในาน้อยใหญ่มาแวดไขเ ว, วียงใจย้อนมีใจคขได ยังนา่งนอดถอยบนเรื่องนําเมืองใหญ่กว้างนั่งแอบค้างเซวยสีเป็นเตวีแม่เจ้านั่งเป็นเก้าหอคําเขาไข่ําปันขาดว่ากันบ่ออนุญาตป้งวางฮื้อยังนา่งน้องเนาไปเป็นเก้าเตวีเขาจักรีฮอบภาพเต้นขนาบเตจริง คนใจนิ่งน้อยใหญ่เตียงตายไข่ต่างเมืองกันบุญเรื่องน้องไทยกลัวปี่ใดบำวายกลัวนิ่งใจใหญ่น้อยได้กาดก้อยมรณาจุงดังดาิีพาวไปจอมเต้าแดนไก่ย่าหือไพอันใหญ่บังเกิดได้บีมาสลีโซฟาหยดซอยกอตอบทอยทุนสาน ว่าคาแดพระผู้บ้านปีเจ้าคาน้องเนานางยิ้งบ่คาดิง้งไฟอ้างจักผ่าค้างไปไหนกันใส่ใจเจ้าปีจักฮือลีไกกาจอมพาญาต่างนาน้องจักคาตัวตายเฮอบำไว้ก้อยกาดกลางภาศาสหอคำเฮอคนจำเมียไว้ว่าเจ้าปีไทยบอกคุณนาะ ป้าน้องมาจากป่าป่อยจำกว่าปลายลุนเจ้าตนบุญที่ของบ่าหักน้องยิงนางสัง่งบ่อวางลาไว้กลงป่าไม่ดงเขียวบัดนี่เตียวมารอด ใจอยู่ยอดหอดใจป้อยจำไกลลีกลี่โบเมนตีท ร, รมาดานังไข่จากเกาทอยมีบ่น้อยหลายภาการก็มีหันแลยนน้าะ ไอ้วังบุตรเตกันสีโซภ า, กาเก่ า, าวแล้วเต้าหนอแก้วองค์งคำจรไข่คำตอบถอยว่าดูระนางอย่าซอยใสยใจำํำพี่ไข่ก่อนกีบ่แม่นติีท ร, ร ม, มาดาพี่เต้าจากเก้ายนไข่หูใจนางพี่บ่วาางตัวน้องไปอยู่ห้องแดนใด ตันจะใครเสียงขาเต้าที่ราดนอปโปที่ญานก็เต็มสารตอบถอยถึงเต้าถอยสมมตัดราจาวาดุราพญญสมมัตราเตจจะอาจือสาตันนำเสนาน้อยใหญ่มาแวดไกเมืองเราเหตุใจเมาปันบา ใครได้โนลาสาวสีไปเป็นเตวีอยู่ไกลบ่อหอนได้สมหมายบุญบ่อไหลตำโต้อยดังขาตายน้อยบนดินกึดอาจินใจจอดใครได้ยอดเดือนงามจักสมตามไฟอ้างก่อบ่่ลังจักมี ดูราเจ้าปุริยศใหญ่ตัานย่าได้กวัางเมาย้อนสองเรานีเล่าลูกสิเก่าคู่เดียวตั้นจุงเร็วอย่าจ่านำผัว ก, กวาโยธารีบไก่กาขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองตนเยี่ยวรีป น, น้อยใหญ่จักตตยไข่เหมือนคอนตัวผู้ทอนเจ้าจางัง <c oughs> ก่อเตียงมั่งดับขันเจ้าหอจันยศใหญ่จุงคืดไขพิจารณายหาายังพระจ่าไผ่ไตร่นเดือดไม่จอมตน จุงยกรีปนรีบกว่าอย่าได้จ้าเร็วปนดอกคุณทันเต็มแล้วก็หือพวกแก้วต่างตารีบไกลกาฝั่งฟ้ า, าไปยืนเต้าโกสัมภีก็มีหันแลยนะ สุสาวาจะนังว่าเจตตาต้าสมมาตัตระเตจะอาจใจหานอันราจะสารจบจอดดังหอกสอดหัวใจโกทธาในเอาไม่ ปานดังไตไฟล้นก่อเป่ารีพ้นนมเทาเฮภาพเขา้าเวียงใจว่าดูราเสนาในเฮยทวนสูสุยาจ่าเรองไวตีกองใจไปก่อนจ้างมายอนตวยจอมผวกตีนร้อมหลังเขานับยังเจ้ า, าสุริยาราชานำมันมาตีไก้ฮน้อมไว้ตีนกู สูอยาจู่ด้วยง่ายคนได้่ายถอยหลังอย่าได้วังจากรอเตียงมวยหมดดับคันกูจากพันลหลับซาฮือความนาจูค่คนๆจุ่มรีปนบอกนาสูอยาขาดเร็วไว้ยิงปืนไฟเข้าใส่เฮือนน้อยใหญ่ น, นำยิงหอคคำภาษาฮือก้อยกาดเปปัง คุนตาปังกาวแล้วก็ใส่จ้างแกงาคำเล่นออกน้ำก่อนหน้าแห่งพวกกาโยธาจุมเสนามวลหมูเล่นเข้าสู่เร็วปันหร่องนั้นมีกองสะนนานหองแดนไก่ต่างกึศใจจักภาพเก้นขนาดเตมืองเสียงนั้นเนืองสะสู่ปอบ่หูไปใด เสียงปืนไฟมอกนาดดังบ่อขาดเป็นสายก็มีหันแลนาตาสะบิงคาเนในกาลนันใส่คนน้อยใหญ่ยิ่งใจมีหลวงลายมวลหมู่กาอันอยู่ในเวียง ในยินเสียงบอกนาดังบอกขาดเนื่องนั้นเขาปะกันสะดุ้งสติฟุ้งเววาเล่นไปมาขึ้นล่องบ่หูจ้องตั้งนี้นาเป็นผีแก่นกัง เล่นนาตังเป็นสายเครื่องควดลายเลาไว้พ่องห้องให้หุยหาหยังบุตตาลูกเตาพ่องโศกเศร้ากังวลถึงผัวตนรวมคางอันไปห่างแดนไกลพ่องเนาไหนเหมยใครลุกขึ้นไดต้ตันตาพ่องจะระแล่นอยากลูกหลันลากป้าดีพ่องไรว่าตีบอกเรา ว่าคาสกเข่าเวียงใจจุงเร็วไว้อย่าเจ้าเอาตั้งนาเป็นหม้คนยิงใจมวนหมู่แล่นซาสูซาสนโกละหุนอันใหญ่เกิดขึ้นไว่ปุริส้นน่หมูนีเจ้าฟ้าหันไผฟ้าเววากาะฮือเสนาแก่นใจเอาค้นให้กองใจสัญญาไปบอกข่าว ไฟไข่ดาวเมืองหลวงว่าคนปันปวงมวลหมู่จุงฮืออยู่นิมเศร้าอยากว่งางเมาปันบ้าอยา่าละกวา่าเสียเฮือนอยา่าได้เฟือนสะดุง้งสติฟุง้งกวา่าตายค่าสกไลหมักเต้าบอ่อาดเข้ามาจูจุมสัตวถูกาอยาบอ่ออาจภาพเตเมือง เต้าบุญเรื่องสุริญยาราเจ้าภาสาทหอดจันจักหือปั้นป่ายการไปจู่ดันเร็วไวกันตีกองใจเปล่าแล้วเต้าตนนอกแก้วมูดี ก็ขีหฮัตถีตัวกาออกก่อนนานำปนสวดอย่างมนวิเศษเฮียนจะเขตรสีออกปุริรีภาวไปรอเต้าสมตัติรจา จุมเสนาต่างดาวหันยังเต้าดอโปที่ยานใจฮึกหานแต่ก่อนก็ย่อมอ่อนบัตเดีวเสียงเกียวเกียวหายขาดเสียงมกนาดดับหาย เสนาหลายมากเต้านั่งคุกเข่ายอมมือเจ้าบุญลือหยอดซอยจริงกาวถอยเจียนจาซึ่งพระญ่าสมมตตราษว่าดูเราเจ้าผาสาตว์โกซัมปี บ่ดีกึดหยาบยกม า, าพาเมืองเราเปื่อใไม่เอานังอ่อนงามจะจนปินคำบุญบ่มีนำแต่ใสบอ่ห่อนได้สมมายจุงพันภายรีพาวปิ้งปอกเก้าเมืองตนเราสองคนนี้เล่าลูกสิบเก้าอาจารย์เฮียนมนคานวิเศษมาจากเขตเดียวกัน บ่กวนฟันคำคาเรือต่อตาผ่าจนเยี่ยวรีปน้นไผ่ไตจักห่อนไม่ตัวจอมขอเจ้าจอมยดเง้วรีป อ, อกดาวขึ้นหลังกันว่ายังตุนจ้าบ่ปอกนาไปฟันเราจากฟันผาบาังบอกให้ข้างคนได้เจ้าหอใจสมมาตรราชฟังถอยวาดกำมจา หน่งอุทธาตยอดซอยจริงตอบถอยกำไปว่าดูรัเจ้ า, าหอใจ ส, สุริญาทาอย่าพามาถททือตนว่าจบมนวิเศษมาจากเขตดงดำ ย, าายำาด่าไข่กําอวดกาเยว่เปิดนาอายคนจุ่มรีป น, น้อยใหญ่หากจากักใดเล่งหันว่าไผจักฟันไผ่แต่ ให้จักแปะภัตยตายเต้าผีพายสมมาตระดัดซัตตาสวาดไปมาหันเสนาจูภูคุกเขาอยู่ย่อมือ <c oughs> บ่ถือตือเครื่องคาสั์ตอดกว่าเนื้อดินเต้าภูมินสมมาตราดก่กอขวาดสะพันว่านอจอมทันบุญใหญ่ เป่ามณใส่เสนาฮือปีญญาหักคอดบอคืดหลอดราวีเต้ากาลีฮูแลาะก่อเป่ามณแก้วเร็งไวเสนาในน้อยใหญ่อันนั่งใวหยอบมือก่อถือตือเสรื่องขาบอได้จ่าบัดเดียวลุกขึ้นเร็วมวนหมูโฮร้องอยู่นั่นเนือง จู่ผู้เคืองโคตรกาดาต่อตาผาจนนอตสะปนบญใหญ่ก่อแก่ใดตันตาจุ้เสนาอาจกาละเสียงคาเร็วปันจุกยืนจันสะต้านพอจูดันริมเศ้าตนคิงเล่าสุริยราชจริงเป็นสีนานาจะใครว่าดูราเสนาในเฮยน้อยใหญ่ ตนเต้าไทยเมืองสู่บ่ออินดูสู่เจ้าใจกําเศร้ามัวดําตันหานํากายาบขึ้นจักภาพแต่จิงเอายังยิ่งน้อยอ่อนไปรวมซ้อนพังกา จิงจักป้าสู่เจ้าฮือมาเข้าตั้งไหวสู่ตั้งไหลวนหมูจุงปอกสู่เฮือนตนเรียบถอยหอยุ่นยาจ้าลูกเบียทาไปหลังน้ำตาปังบวเฮือดอ้อนไม่เดือดตั้งวนย้อนสู่พันผาคขางมาอยู่ห่างแดนไกจุงเร็วไว้ปีกปอกวายหน้าออกผันภายย่ามาตายย่นเต้า ตนหาเท้าอาทำแม่นบ่อตามกำกูกล่าวหิู้ข่าวตั้งที่บ่อรีบนีผักนากูจักคาสู่ตาย เอ่บำบอยตั้งหมู่บ่เว่นผู้คนใดลูกใส่ใจสู่เจ้าเตียงโศกเศร้ากองหาภริญาร้องไห้เป็นไม้ไข่ตั้งเมืองบอ่ยาจังเลยนะ กันว <Construction. S 2> ่าจากเก่าวแล้วเจ้าดอแก้วบุญนําก่อไร่ําต้านถอยซึ่งเต้าถอยสมมตัดรัชจ้าว่าเป็นพญานยศใหญ่กวรหักไพผาจ้า อย่าเอาเสนาผัยราชมาก้อยกาต่างตนอย่าเอาคนไัยไตายมาตายไว่เมื่อนคอนกันตนผู้ทนยดเยาวยังโคดเฮาเครื่องขี้ <c oughs> จะเข้าตีหอบภาพป่นขาดดาบเตจิ้งดังคานิง่งเกิดไฟเฮือสมไฟกิตนาสองเราราอยาจ้ามาต่อตาจ อ, อ, อมกัน เขาแต่งฟันภาพสู่เสอเสนาวเล่งหันแดดห ว, วาอันเมื่อนัน้นผาญาสมมติตราชจ้าพาศาสโกสัมพีฟังว่าตีตันต่อแห่งเจ้าหน่อบุญภายโกท่าไหลเกิดตอง ในแห่งห้องหอราไทยดังเอาไฟใส่ไว้สลับไข่ตั้งตัวบอ่อขึ้นกัวสะตานบอ่อขึ้นยานไปใดรีบเปลวไว้ใส่จังเขาผาบมั่งแต่งฟันกันดอคุณทันบุญใหญ่เงาดาบไขจอมกันเสียงดังนั้นทิ้งทองบอ่อถูกต้องคนใดดาบคมใส่ฟาด บ่มีบาทอินทีหอกคมดีปุ่งใสไปลายหักไข่ตันตาเหตุเฮียนมาแต่เก้าอาจานเจ้าเดียวกันรีปนหันหนัวเศ้าสันดานดาวดินดานสองผู้บ้านเจ้าฟ้าหบต่อตาเมื่อลายแห้งลวดไยอิดอ่อนต่างคนผ่อนว่างลา <c oughs> ส่วนพญาสมมาตราติขนาดเหลือใจก็ถอยไปบอกไกลแล้วเกิดไข่ในตนว่าใด้ฟาจนหอบภาพด้วยหอกดาบปืนยา หุบเบิดมานักแก่บ่ออาจแปรดังหมายกวนอุบายจันใจเวทมุนตใส่ศิษปาคุณเตียงจักหนุนเติมคำฮือได้พัมเสบือใจเต้าใจไฟกึดแล้ว สวดมนแก้วอาคมเพื่อกเฮอสมไฟอ่างมีหลายอย่างหลายอันนอจอมทันตีไว้ก่อแก้ได้จูภการก็มีหันแลยนะธรรมทั้งภาเซนโต้ศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซ้อยหันบัดทอยบารี อดหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวะโสอิทธิมันตังสัจจาตวิวาดังนี้เป็นตน้นเิกเวดุราภิกขะส่งตนทรงสินใสสะอาจเจือนักพาทรงยานส่วนเต้าใจห่านโสมตตราสก่อขืดขวาดในใจ ว่าจากเอาปืนไฟเข้าภาพเอาหอกดาบแต่งฟันบ่อแปลมันแต่ใส่กวนจากใจสิปักุณมากำลุงส่งโย่ฮือมุกหู่มรณาตาอปาราเกิดและออกสวัดมนแก้วเตรียมใจหันเร็วไว้บ่อจ้าเป็นเมฆฟ้าบังบนมือจูหนจุตีบ่อแจ้งทีหนตาง เสียงอือข้างลมใหญ่พัดมาไกลเดือดลายเจ้าบุญภัยที่ราดก่อรีบสาดอาคมเกิดเป็นลมแห้งกว่าเขาต่อตาต่อจนปัดรีปน้อยใหญ่ลมต่าไข่กองกันเสียงเรื่องนั้นมีกองดังไข่ห้องอาณา เมื่อตันตาก่อนกีก่อแจ้งทีหันตังเต้าหอกฟังบากเศร้าก่อซ้ำเป่ามุไฟก่ายาเป็นไฟอัในใหญ่ลุกบูไม้ละ ม, มานอพุ ธ, ธาเจียงเจ้าหันแล้วเป่าเป็นฝนตกผ้าจนดับบอดบอดลำรอดกาญตาเต้าปาราสมมติตราเจ้าภาศาตโกสัมปี มีมนต์ดีหลายซ้ำแสงแต่งซ้ำหลายอันเจ้าจอมขวัญตีไว้ก่อแก่ได้จูผ้ากัเสียงมนต์ขานกูเชื่อตามได้เชื่อจำมาโสมาตัดรจาใบบอดบ่อคือตรอดบทไดย่อนมนใจวิเศษเทียนจากเขตอาจารย์ปรีญโยสาสเสียงขาดบ่อข้างบาดบทใด ยินยากใจนักแก่บ่ออาจแเป้ดังหมายอิทเดือรไหลสะสู่บ่ออาจอ้ไข่กัมดอคุณทำยอดซ้อยจริงก่าวถ้อยกำไปว่าเป็นสันใดนั้นเล่าสั่งบ่อเป่ามนมาสะปาสิบปาคุณใหญ่เฮียนแล้วไว้เสียในหรือมนใจวิเศษบทเสียงเขตปุ่มหลวง คนปันปวงเหล่าสาวว่าตันเต้าอหอกคำมีมนยำจูอย่างไผบ่ออ้างเตรียมตันเราไขาหันแต่ใสจุงแต่งใจมาไวตะวันใสคำลาดาละปาข้าวเขียวกันบ่อเร็วแต่งสร้างยาไฟอ้างราวีจุงรีบหนีขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองตน นอตาสาปน์กาวแล้วก่อสวาดมนแก้วเจียงคานอันเจ้าทารุงยานบนใหญ่คือราศีไทยสอนปันเป่าไปปันบ่อจา <c oughs> ưng, า้ายังฝุ่นยาดินทรายก่อกับกายเกิดได้เป็นต่อใหญ่แตนดวงมีฟันพวงอ่านหมืน่นบินบว่าวึ้นเป็นหมูบินมาจูเดือดตอดยังเจ้าบอสปาลา พับกาญาเสียงควายหอนแสบไม่เดือดรายเต้าผีพายยดใหญ่แกบ่บอดใดตั้นใจจักอยู่ไปเนินจา้าเที่ยงความนาเป็นผีก่อใส จ, จ้างหนีบอจ้ า, จา <c oughs> เล่นก่อนนาโยธาต่อแตนนาบ่อจอดไล่เดือดต่อตัวไปเสนาไหนหัดเท้าเห็นหันตันเต้าพานีใจบอดีตั้งหมูก็เล่นรู่จอมลังต่อแตนยังบ่อเว่นบินเป็นเส้นตัวไปไหลเจ้าห่อใจบาปเศร้าท้าราบต่อเต้าสุดแดนก็มีหันแลนา กันพญาสมมติราษฎรเฮาหาดปาละตังเสนามวนหมูไปนิสูเมืองตนนอตสะพลเจียงเจ้าก่อบปอกเขาเวียงใจเสนาใดไผน้อยใจจื่อจ้อยเจยบ้านสาธุการสาเศ้าสันันดาวปุรีหนอบุญมียอดใหญ่ก่อห้งให้กองใจ สัญญาไปถั่วนาฮือไผฟฟาภาจ้าตังเสนาน่อยใหญ่มวนเล่นไข่เจ็ดวันก็มีฮันและนาตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปนาจุมสกกาคนหรนจนไผ่มานอุบาทบ่มาปาดเบียนพียังปูรีเมืองใหญ่ฮือห่อนไม้เครื่องกา จุมาาภาจาไผ่ไตสุขบานไข่ยนิงใจเต้าบุญไผยสุรินราตนั่งภาษาสวุยสีกับเทวียอดซอยงามจื่นจ้อยปิ่นคำ <c oughs> บอมม่ออาธรรมเมื่อเจ้าตกคำเจ้าตกระทำบุญเฮตันุนจ้าใจฮักษาสินไว้เป็นไมยตาสะทำลายสิ พ, พอปฏิบัติต่อต้วไป บอ่อนี่ไก่ตั้งเก่าร้อยริดเก่าโบราณหึงเมื่อนานแต่ใสร้อยปีไข้บัวระมวนกาละกวรนมารอดสองเตาอยอดบุญนาก็โมโราดาคาผากตายละจากเพือนคนบุญบันดลนไปเกิดชั้นฟ้าเลือตุสีดาก็มีวันนั้นแหละนา สัทธาอิมังธรรมมาเตสนังอาหาริตาจาตะกังสมุทาเนสิสัทธาอันวาสัพพัญญูพระพุทธทเจ้าต้นเป็นปินเก่าที่โลกอาจานกันไขนิตานจัดเก่าตั้งแต่เก่าสุดไปยฮือปีกูตั้งหลมวลหมูม่ได้พมหูตามี พระมูฎิตนสักษาจังจักจาดปังลังมาเตรียมยังจาดที้เฮแจ้งที่หันใสพระจิงไขโอกาสเป็นบทบาทบาลีวาตาตาทิสาปาโมคโคอิตานิสามิตโต ด, ดังนี้เป็นตน เอกเวดุราภิกคูสทรงตนทรงสิ้นใสสะอาดเจือนักผาทารงญานอันวาดติสาปาโมกขาจานผู้ฉลาดสอนติปสาตทรงกุลแก่นอพุทธทั้งกุลยศใหญ่หื้อหูไขนานา ตาตาในกาลนันไสคือหากมาได้วิศวาวิทอาจารย์ีตานีในกาลบัดนีแลยนะ <c oughs> ต, าตาตาตาปะโสอิตานิสารีปุตโตอันวาระสีบุนกว้างอยู่ก่อสร้าง ป, ปัาเพ่งธรรม อนดงดำป่าไมา้เฮเจ้าดอกไทยเฮียนคุณเปืือจักนุนสองโยเฮได้อยู่ใจบานจุมไพมานน้อยใหญ่บ่มาไกลปาราตาตาในกาละนันไซคือหากปะใดมหาสารีบุเธระชเจ้าในกาละบัตนี้ละนะ อันว่าคุณอินตาเตปเต้ตาอยู่ภาพดาวสองสวรรค์ฮือวิสุกรรมตนองอาะเสด็จหยาดลงมาจากตาวะติงสาจัน้าลงสู่ปา่าไพรสนเนรมิตรตนกะเปตเป็นจ้างวิเศษข่าวปอนน้ำสองผู้ทอนเจียงเจ้า ลัดป่าเศราาเมืองในกาละนันเหล่าคือหากใดเจ้าอนุรุธทธะเถระเจ้าในกาลบัตินี่แหละนะส่วนเวสุกรรมเถวาบุตรนันใสคือหากมาได้กาลุกนาตาญีเถนในกาลบัตินี่แหละนะ อันว่าพาญา่พรหมมาตัญยตยาวตนภาพดาวพราราศีในกาลนั้นตเต่าคือหากใดเต้าเจ้าสังหริสุทธตนะมหาราชาในกาลบัตินี้แลยนะจันตาเทวีอันว่านางจันตาเทวียศใหญ่แม่เจ้านไทยสุริย์ราชาในกาลนั้นน า, นา คือหากมาใดนางสรีมหามาญญาในกาลาบดีแลนาส่วนจันตาคุมมานุ่มเนาน้องแห่งเจ้าสุริยาุคุมมานคือหากมาใดมหาานันตาเถนในกาลาบดีแลนา สมตัตตราจาอันวาภาญาสมมาตราเจ้าภาสาสโกสัมปีวันนั้นใสคือหากมาใดเตวาตัดเทนในกาลบััฏนี้แหละนะ มัตตานีปานาส่วนนางมัตตานีในกาละนั่นเล่าคือนางบาปเร้าจินจามานาวิกาในกาลบั ด, ดีแหละนาส่วนอันวานางมากปิน่นคำดอกางามบ่อเร้าเหลือคนในากาละนั่นใส่คือหากมาใด นางยะโสทารางามแงอันเป็นแม่แห่งเจ้าราหุลเทนในกาลบัด น, นีและนาสุริโยราจาอาหา์เมวะอันวาพัญญาสุริยาราจจบชาลสัสปะสิปา เป็นภาญยัยดใหญ่หื้อไัยไตใจบ้านในกาลนันไซคือหากมาได้พัฒนาคตาในกาลบัดนี้แหละนะทุ่มเหภาวันตาตันตั้งลายมวนหมูอันนั่งอยู่นานำได้ฟังทาแต่ก้าทาราบต่อเต้าสุดปลาย พี่เปือกลายเหลือแลกแกน่นแก่นแต่ยังมีพิจารณาดีที่สั้นลิงสอดดันหันใส่บทบาทได้เป็นปีละไว้ตีนีโรงทำเหลือกใส่น้ำแก่นลอนไว้จี้บนตั้งเที่หือ้อได้เร็วไปรอดอำมาตย์ยอดเนราปาน อันสำรานเตียงเต้าบ่อแก่เท่าจราคอศรัทธาน้อยใหญ่พร้อมเสียงไข่ยิงใจอันมาใหญ่หนังเฝ้าฟังทำเก่าเดิมอ่อนอย่าวนศกไม่อย่าเมือไข่หนาวในขอจังไรตัวกายอวัยนามทจนความกังวลไม่เดือดจุ่งเหือดนี่หาย แม่นกึศหมยใครใดผาธนาไว้สันได้จุงสมใจกูเชื่อตามไฟเอื้อผาธนาแด่เตอร์นีทตังขีญาสังวนนานวิเศษจาห้องเหตุนั่งมากปินคำผูกสิบเอ็ดก่อหมดเสร็จมินจอด สุดเสียงยอดปารียโยสานเต่านี้และนาก่อบังกุมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ